ดูหน้าตาพวกเราก็คุ้นๆ น, นะส่วนใหญ่ฟังเทศมาเยอะแล้วหลวงพ่อไปเทศที่น้นที่นี่นะเรื่อยๆก็พบว่าช่วงหลังๆนียคนที่เรียนธรรมะมันเปลี่ยนแปลงไปมากคนที่เรียนกับหลวงพ่อสักพักเดียว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 คนที่หลงไปในทางย่อหย่อนทางการสุคาลิกาลโยกเนี่ยส่วนมากก็จะไปทุคติต่ําลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตนั้นมีธรรมชาติไหลลงต่ําถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนั้นก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆงั้นคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปบันๆเคลิร์นอยู่กับโลกนึกว่ามีความสุขนีส่วนมากก็คือสะสมกิเลสมากขึ้นมากขึ้น ยิ่งแก่ก็ยิ่งแย่ความประพฤติก็ยิ่งแย่ลงจิตใจก็ยิ่งแย่ลงดนสุดท้ายก็ไปอาบายนะส่วนพวกนักปฏิบัติชอบข้าวัดเข้าวาเกือบทั้งหมดเขาไปนั่งเพ่งเอามีกายก็บังคับกายมีใจก็บังคับใจนั่นเรียกว่าสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งข้างอัตตะกิลมะถานุโยกบังคับกายบังคับใจให้ทํากายทําใจให้ลําบาก การที่คอยควบคุมกายควบคุมใจนะท่านบอกว่าไปสุคติไดนะ้เพราะาเป็นคนดีไม่ได้ชั่วอะไรไม่เหมือนพวกหลงโลกจะไปสุคติได้นะไปเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้อย่างบังคับกายบังคับใจให้มันเรียบร้อยไม่ทำความชั่วมีสีมีธรรมอะไรขึ้นมาก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์มาฝึกจิตฝึกใจให้มันนิ่งสงบนะไปเป็นพรหม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 เนื้อที่หลวงพ่อพักเพียรสอนมานะตั้งแต่แรกก็เรื่องพวกนี้เป็นจุดแรกเลยต่อมาพวกเราก็พอนากันจนจิ ต, จตของเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี้ยนับจํานวนไม่ท้วนหวงพ่อกล้าพูดเลยนะในชีวิตที่เห็นมาเนี้ยไม่มียุคไหนหรอกที่คนสามารถปฏิบัติจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลได้มากเท่ายุค ข, ของเรานี้นะไม่มีหรอกสมัยก่อนเข้าไปอยู่วัดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะ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 เล่าให้ท่านฟังอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหนะลวงตามหาบัวให้ท่านพุทโธ ท, ท่านพุทโธแล้วจิตท่านก็มาอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนกันพุทโธพุทโธแล้วท่านก็เห็นจิตที่เคลื่อนไปพุทโธจิตหนีไปเรารู้พุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีเรารู้ไม่ใช่ห้ามหนีถ้าห้ามหนีจะตกไปสู่ข้างอาตัตตกิเลสมาตรฐานโยกคือบังคับจิตบังคับกายบังคับใจนะงั้นเราไม่ได้บังคับแต่เราคอยรู้ทานจิตที่ไหลไป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 เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นระ่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างเราร้อนนั่งนั่งพัดเนี่ยไม่ใช่นั่งพัดแล้วใจลอยนะหรือนั่งพัดแล้วก็เพลิอนอู้เย็ยนดีเย็ยนดีนะนั่งพัดไปรู้สึกไปเห็น ร, ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเอายิ้มหวานยิ้มหน่อยซียิ้มหวานหวานะชวนกันยิ้มหน่อยคนไทยเดี๋ยวนี้ชักยิ้มไม่เป็นแล้วนะหน้าตา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 ควรแก่การงานซื้อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ได้มารยาดัดจริตทําเป็นคนเรียบร้อยอะไรหรอกเป็นใจธรรมดาธรรมดานี่เองนะเราใช้ใจที่ธรรมดานี่แหละนะนะแล้วก็ไปรู้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวด้วยใจธรมธรมดาธรรมดาเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยจิตใจที่ธรมธรมดาธรรมดานะเราเห็นความดีความชั่วโลภโกรธห ล, ลงเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปรู้มันด้วยใจธรมธรมดาธรรมดานะ ใจทั่ทั่ธรรมดาเนี่ยเป็นใจที่ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายด้วยนะยังมีความสุขแล้วเรายินดีเนี่ยถือว่าใจไม่ธรรมดาละใจผิดธรรมดาละนะเพราะฉะนั้นอย่ามีความสุขขึ้นมาเราพอใจมีความยินดีพอใจให้รู้ทันว่าพอใจความพอใจมันจะดับนะความสุขก็ยังอยู่ได้ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากจิต ท, ที่เป็นกุศลแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคาะทันทีที่เรารู้สึกมันจะดับไปเลยนะถ้าเป็นจิตที่เป็นกุศลมีความสุขเนย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 นะพอตาเมาเห็นเกิดพยาบาทที่ตกนี่มันเลวร้ายนิสัยเสียเห็นแก่ตัวเขคิดอย่างนี้นะโทสะมันเกิดนี่พอโทสะเกิดเนี่ยคนทั่วๆไปก็จะไปมองไอ้คนที่ขับรถปาดนะจะต้องไปปาดคืนหรือไปกดแรด่ามันพวกเราใครขับรถบ้างมีมไหมเคยโกรธไหมถูกปาดโกรธแล้วทําไงเราก็ดูไอ้คนที่ทําให้โกรธมันไปโน่นแล้ะนี่จะต้องตามมันไปใช่ไหกดแรด่ามันอย่างน้อยด่ามันด้วยปากมันไม่ได้ยินนะ คนมันแต่ด่ามันก็ยังดีหรือบางคนด่าเลยนะแต่ไอคนน้่นไม่ได้ยินหรอกไอคนที่นั่งข้างๆในรถเราเนี่ยได้ยินเนี่ยรับอกุศลเต็มๆเลยคนนันไม่มีนะเนี่ยสังเกตดูสิขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่ย้อนมาดูว่าใจกําลังโกรธแต่ไปดูคนที่ทําให้โกรธแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆแม่มึงหนีไปนันแล้วไอสันดานไม่ดีพ่อมึงจะตายแม่ยายมึงจะคลอดหรือไงเนาะโกรธอย่างนี้นะ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 มีความทุกมาก็แค่รู้มีความสุขมาก็แค่รู้มีความดีมาก็แค่รู้โลภโกรดหลงมาก็แค่รู้มันคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นที่พวกเราชอบพูดกันน่ะนักปฏิบัติน่ะชอบพูดมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นหลวงพ่อมองหน้าปุ๊บนะเลยนึกในใจอีกชาติหน้าเธอยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเลยหน้าตาอย่างนี้นะสติยังไม่มีเลยพูดเราเองว่าสักว่ารู้ว่าเห็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะจิตมีปัญญาแก่กล้าแล้ว จิตรู้เลยว่าอะไรเกิดอะ้รนั้นก็ดับมาทุกอย่างหาสาระแก่สารไม่ได้นะต้องฝึกจนจิตมันฉลาดอย่างนั้นนะพระจิตมันฉลาดมันเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเสมอกันสุขกับทุกข์ก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะเพรานั้นจิตจะไม่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงว่ามันกับเพิ่มขึ้นด้วยความยินดีก็เพิ่มลงด้วยความยินร้าย แต่ถ้ามันเป็นกลางกับทุกสิ่งแล้วมันมีปัญญาเนมันเป็นกลางมันจะไม่แหว่งมันจะมีสมาธิทรงตัวอยู่ในตัวของตัวเองนะแล้วถ้าศีลสมาธิปัญญาเราแกะกล้าพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอับปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานของมันเองเลยทําไมมันเข้าฌานได้ก็เพราะมันไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอสิทําไมไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเพราะมันมีปัญญาสิมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่พอมันเห็นอย่างนี้นะจิตที่หมดการดินรนจิตเข้าอับปนาสมาธิ ถ้าบารมีพอนะจิตจะไปเดินปัญญาขั้นละเอียดข้างในอีกนิดนึงจะไปเดินปัญญาในสมาธินะคราวนี้ไม่ว่าใครจะเคยเจริญปัญญาในสมาธิหรือไม่ก็าตามะแต่ในนาทีที่จะบรรลุอริยรมรยรคผลเนี้ยจิตจะไปเดินปัญญาในสมาธิทุกคนหลนะจะเดินสั้นนิดเดียวไม่เดินยาวม่นคล้ายๆไปสรุปร้วมยอดตรงนั้นทีด่เดียวแต่ไม่มีคำพูด ไม่มีคำพูดทั้งสิ้นเลยนะไมน ไ, ไ, ไ, um ไม่นั่งหนอเหนอเลยไม่มีเง้ยสิ่งอะไไม่ใช่ว่าโกรธแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเป็นสภาวะที่ไม่มีคำพูดแล้วนะจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปกระทั่งคําว่าสิ่งบางสิ่งก็ไม่มีนะไม่มีคําพูดนะจะเห็นแต่สภาวะไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับมันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะจิตไม่มีสัญญาไม่ไม่เข้าไปสัญญาแปลความหมายนมว่าอันนี้คือนี้อันนี้คือนี้ แต่มันมีสัญญาอีกแบบหนึ่งนะมันเห็นอนิจจสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงมีทุกขสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความทุกเห็นอนัตตสัญญาสิ่งที่ตกอยู่ใต้อนาตตาบังคับไม่ได้สัญญาจะแบบดูแบบนี้ไม่ใช่สัญญาจําได้ว่านี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่นะแต่เป็นสัญญาที่เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาจะไปหมายรู้อย่างนั้น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 เราเข้ามาถึงตัวนี้แล้วมันจะเข้าไปเกิดอริยมรรคนะทำลายล้างอาสวะกิเลสภายในหรือสังโยชน์ภายในนะมันจะแหวบอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่เข้าไปทําลายสังโยชน์ภายในนะแต่เข้าไปทําลายเนี้ยชั่วแวบเดียวชั่วขณะจิตเดียวไม่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนนะในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี้ยเกิดหนึ่งขณะจิตทุกคนไม่มีสองขณะเลยนะเกิดในพริบตาเดียวนะพริบตาหนึ่งก็ยังยาวนะยังยาวไป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 ไม่ขาดระยะเลยเนี่ยช่วงเวลานี้สั้นนิดเดียวช่วงเวลาที่จะถล่มทลายลงไปนะสั้นนิดเดียวเองงั้นอย่าดูถูกปัจจุบันนะเวลาล้างกิเลสเนี่ยล้างในปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่1 น, นาทีหนึ่นาทีนะ่นนนะยาวไปละห น, นาทีมีแต่อดีตมีแต่อนาคตใช่ไหมปัจจุบันนะ่ะสั้นนิดเดียวงั้นจุดอันนี้จะมีขึ้นมานะถ้าพวกเราภาวนาให้มากพอตั้งอกตั้งใจฝึกของเราทุกวันทุกวัน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 ใจไม่ต้องคิดมากเวลาโกหกต้องคิดไหมเวลาพูดความจริงต้องใช้ความคิดมากไหมไม่มากเพียงแต่ดูว่าสมควรพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองสมควรพูดไหมสมควรพูดแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่โกหกเนี่ยโอ้โหต้องวางแผนนะใครเคยโกหกบ้างยกมือซิหลวงพ่อยกด้วยนะสมัยเป็นโยมก็เอาเหมือนกันแะนะสมัยยังไม่ได้ถือศีล น, นะไม่ได้สือส่อศีลก็ปลถือศีล น, นะ โอ้ยบางทีรุมใจตอนนั้นรับราชการอยู่หัวหน้ากอง น, ะนั่งโต๊ะติดกับหลวงพ่อโทรศัพท์มันอยู่ตรงกลางแกสั่งนะเดี๋ยวพี่จะรีบทำงานถ้าใครโทรมาหาพี่นะเธอบอกว่าพี่ไปไประชุมนะโอ้โหเราอธิษฐานจะประคุนอย่ามีใครโทรมาเลยนะเราไม่อยากโกหกพออธิษฐานจบโทรศัพท์ก็กลิ้ง <c oughs> <c oughs> เวนแล้วว่าหนะยิบ ม, มาจะคุยกับหัวหน้ากองจริงๆเนะ นะว่าทำไงดีเราพูดเบาๆยกโทรศัพท์ออกหัวหน้ากองสั่งไว้ว่าตอนนี้ไปประชุมครับนะลงอกไปหน่อยแต่ว่าใจเศร้ามองไหมมองหน่อยๆมันหลอกนิดหน่อยนะเนะี่ยเป็นฆราวาสนะลำบากลาบากนะเองฆราวาสเมื่อจะถือศีลให้สะอาดหมดจดนี่ยากเหลือเกินนะต้องอดทนมากแต่ถ้าเราอดทนได้นานๆนะการถือศีลจะง่ายขึ้น หลวงพ่อดูตัวอย่างตัวเองนี่แหละตอนทำงานใหม่ๆเราข้าราชการผู้น้อยอะ่ะเวลาไปกินข้าวกินเลี้ยงนะบนโต๊ะเราเนี่ยคนอื่นมันกินเหล้าทั้งนั้นเลยมีเราไม่กินอยู่คนเดียวกินแต่กลับนะเหล้าไม่กินกินแต่กลับนะกินโซดงโซดาอะไรไปนะเขาก็เชี่ยวเข็นเอ้าหน่อยสิเอาหน่อยสิเราเราถือศีลเราจะกินแต่ถ้าเราไปบอกเขาว่าเราถือศีล น, นะคนมันจะโห่นะพอยุคเนี่ย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 รู้ว่าตัวนี้ยเป็นโต๊ปลอดเราเออเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนะสิบสิบปีนะเพื่อจะถือศีลแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นถือที่แรกยากมากเลยงั้นอดทนเอานะถือศีลต้องฉลาดถ้าถือศีลแล้วไม่ฉลาดเนี่ยตรอมใจตายนะพอ ถ, ถือศีลได้แล้วนะก็ฝึกทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบสิบห้านาทีฝึกอะไรฝึกกรรมฐานอะไรก็ได้สิอย่างหนึ่งที่มันไม่ผิดศีลนะ่ะ กรรมฐานอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดศีลถ้ากรรมฐานประเภทเชือดคอไก่หรือตกปลาอะไรที่ไม่เอาหรือเล่นไพ่เล่นไพ่นี่จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือไม่สนใจอะไรเลยลูกร้องก็ไม่รู้กูจะเล่นไพ่บอกมีสมาธิไม่มีแต่เป็นเป็นมิจฉาสมาธิต้องาแบบที่มันไม่ผิดศีลด้วยเช่นเราท่องพุทโธพุทโธไม่ผิดศีลนะพุทโธพุทโธหายใจแคไม่ผิดศีลเดินจงกรมไม่ผิดศีลทาอะไรไม่ได้จริงๆนะไปเลี้ยงปลา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 หลวงพ่อทำไว้หลายล้านแผ่นแนล <c oughs> ้วแจกไปเป็นล้านๆเลยนะซีดีนะเนี่ยทีมที่เขาอุตส่าห์ช่วยกันทํานะมาตั้งกล้องตั้งอะไรไปไหนก็าตามไปนะไม่มีเงินเดือนให้นะโบนัสก็ไม่มีรางวัลก็ไม่มีนะไม่มีอะไรให้สักอย่างเลยนะพวกนี้ทําด้วยใจที่อยากจะตับแทนคุณพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเองมาช่วยกันอัดเสียงมาทําแผ่นนะเอาไปแจกไปอะไรช่วยกันทํา งั้นทีมงานของหลวงพ่อเนี่ยไม่มีปัญหาคอรัปชันเพราะไม่มีเงินเลยนะบางทีบอกนะบอกว่าไปต่างจังหวนะัดะค่าใช้ใจ่ายเยอะนะค่ารถบ้างค่าเรือบินบ้างค่าที่พักค่าอาหารนะให้มาเบิกได้นะไม่มีใครมาเบิกนะเนะี่ยพวกนี้อดทนมากในในการทำไม่ใช่รวยหรอกแต่ละคนนะ่ะหน้าตาบางคนะว่างงานซะด้วยซ้ำเนะ ไปไปเทศที่นครนะเนี่ยเจอด็อกเตอร์ท่านเป็นเจ้าของสถานที่เทศที่โรงแรมทาวินโรตาร์ที่นครนะพวกนี้ก็แแบบกล้องตามไปรักษาปไปไช่วยกันทําช่วยกันรักษาพระศาสนานะจำเป็นมากนะตอนเนี้พระศาสนาของเรานะเรามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ที่ภิกษุณีนะ่ะหมดไปแล้วนะหมดไปนานแล้วภิกษุณี รุ่นสุดท้ายที่มีชื่อเสียงอยู่คือพระสังคมิตรตาลูกสาวพระเจ้าศกนะหลังจากนั้นก็เงียบๆไปไม่ค่อยได้ยินนะสุดท้ายก็หายสูญไปนะภิกสุทุกวันนี้พิกสุก็รอดแน่เต็มทีละมันมีคนไม่ดีมาบวชแล้วมาทำเรื่องไม่ดีคนก็มองว่าพระไม่ดีทุกวันนี้พระก็เริ่มถูกเบียดเบียนนะพระลาบากขึ้นทุกทีละ แทบจะเป็นส่วนเกินของสังคมอยู่แล้วนะงั้นเหลืออยู่สองพวกที่ยังเข้มแข็งอยู่คืออุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเรานี้แหละถ้าอุบาสกอุบาสิกายัางสนใจปฏิบัติธรรมอยู่นะพระศาสนายังไม่สูญไปแต่ว่าพระอาจจะไม่มีก็ได้วัดอาจจะถูกรื้อไปเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรก็ได้นะในอนาคตเอาแน่ไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์เองก็เคยบอก ห, หลวงพ่อพุธเคยพูดด้วยซ้ําไปบอกว่าต่อไปมันก็หมดจากเมืองไทยในเวลาไม่นานเท่าไหร่หรอก 1 0 0 2สองรอปีอะไรนี้จะหายไปหมดแล้วนี่ท่านพูดมาก็หลายสิบปีแล้วนะมันมาถึงวันนี้ก็ดูรอดได้เต็มทีแล้วใช่ไหมอย่างเราคิดว่าจะต้องเก็บภาษีพระอะไรเงี้ยนะพระเป็นทักคืในใายะบุคลณนะควรรับทักสินาทานตอนนี้พระเสียภาษีเท่ากับโยมละนะไอ้พระที่รวยๆมันมีสักกี่องค์นนะพระส่วนใหญ่ตัววันนี้นะบินทบาทไม่พอจะกินนะลาบากอ่ะโ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 พระก็รอแร่เต็มทีแล้วตอนนีนะ้งั้นที่หลวงพ่อสอนมาเนี่ยนะหลวงพ่อมองมาตั้งหลาย1ิบปีแล้วว่าต่อไปเนี่ยอุบาโซอบาสิกานี่แหละจะเป็นกำลังที่จะรักษาพระศาสนานะลำพังพระเนี่ยอ่อนกำลังลงเรื่อยๆมันเริ่มอ่อนมาเป็นลำดับนะเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคนที่เก่งๆไปเป็นพระนะพระคือผู้นำทางความคิด ทุกวันนี้คนเก่งๆไปอยู่ที่อื่นหมดละนะพระเนี่ยจะเป็นแบบพวกด้อยโอกาสส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจะมีพวกที่เรียนธรรมมาแล้วสนใจเข้ามาบวชพวกนี้มีไม่มากอ่นะเนื่องท่านเหล่านี้ไม่ค่อยมีกําลังไม่ค่้าเข้าใจโลกไม่เข้าใจว่าโลกเขาเป็นยังไงนะอยู่แบบเก่าๆเขาไม่เข้าใจโลกนะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเราอยู่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นถึงวันหนึ่ง สังคมก็จะเห็นว่าพระไม่มีประโยชน์ทุกวันนี้เราทำอะไรกับพระบ้างใครใส่บาทบ้างมีไหมใส่บาทวันเกิดใช่ไหมวันไม่เกิดพระไม่ต้องกินข้าว <c oughs> <c oughs> หรือไปงานศพพระเป็นสับเหลอหัวหน้าสับเหลือลยะนะยั <c oughs> งต้องเรียนนะเป็นธรรมะไวนะ้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะธรรมะอยู่ที่ใจเราไม่มีใครทำลายได้ สมัยพุทธกาลนะกกะก็ศาสนาก็รุ่งเรืองมาเมื่อประมาณปี1600กกว่ามั้งนารันธาเนี่ยกลุ่มของพระนะถูกฆ่าไปเป็นหมื่นๆเลยในยุคนั้นเนี่ยราวาสไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้เรียนคนที่รู้คือพวกพระกพระพระหมดท่านศาสนาหมดจากอินเดียเลยนะงั้นหลวงพ่อมองตรงนี้มานานแล้วละถึงพยายามจำจี้จำชัยนะสอนคราวาสสอนมากเลย พระเนี่ยสอนไม่มากคนมาขอบวชยังบอกว่าอย่าเพิ่งบวชเลยนะภาวนาเอาให้มั่นใจก่อนเราค่อยบวชนะบวชมันไม่ยากหรอกแต่บวชแล้วอยู่ยากนะอยู่ลําบากนะชีวิตฟราอยากกินก็ไม่ได้กินอยากนอนก็ไม่ได้นอนอยากได้น้ําร้อนก็ได้น้ําเย็นหรออยากได้น้ําเย็นก็ได้น้ําร้อนนะขนาดหลวงพ่อนะคนนับถือเยอะนะเมื่อที่ยังเป็นอย่างนั้นเลยเราไปเทศน์นี่แหละโอ้ยไปถึงเงาตกนะ่ะร้อนเต็มที่เลยยงก็ยกน้ําชามาประเคน วันขโมงเลยนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันเย็นหน่อยนะจะฉันหน่อยโอ๊ยร้อนขอแห้งมากเลยนะพอเริ่มเย็นนะโยมทีบยกไปเลยมันเย็นแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่โอ้หเนี่ยเ น, นี่ชีวิตฟ้านะเพราะงั้นพวกเราสําคัญนะพวกเราสําคัญทุกคนมีความสําคัญที่จะรักษาพระศาสนาไว้นะ ตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะอย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะอย่างน้อยพยายามเรียนให้รู้เรื่องถ่ายทอดออกไปอีกสักรุ่นหนึ่งก็ยังดีนะพอเราถ่ายทอดออกไปแล้วมันหมดหน้าที่เราแล้วล่ะมันก็หน้าที่ของคนที่รุ่นต่อไปเขาต้องรับภาระอย่างหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาครูบาอาจารย์สั่งให้สอนนะตั้งแต่เป็นโยมแนละ้วไม่ใช่ว่าหลวงพ่อทะลึ่งออกมาสอนเองหนะลวงพ่อพุทธนั่สั่งนะบอกคุณไปเผยแพร่คุณไปทางานเผยแพร่ ว่าว่าจริตนิสัยของคนที่เหมือนคุณยังมีอยู่นะคนที่เป็นฆราวาสมานานนะเข้าใจฆราวาสท่านบอกคุณแหละไปเผยแพร่ท่านสั่งอย่างนี้เราก็นึกนะจะให้เราเผยแพร่ไหนว่าเราข้าราชการสี่สามสี่สี่เองนะตอนนั้นนะ่ะอายุก็ยังน้อยๆเงินที่จะไปเผยแพร่ก็ไม่มีไม่รู้จะทํายังไงครูบาอาจารย์สั่งพี่เขียนหนังสือเขียนบทความนะส่งไปลงหนังสือ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 บอกว่าการดูจิตก็คือทําจิตให้ว่างๆจิตไม่มีหน้าที่ว่างการดูจิตนัคือการรู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยใช่ไหมงั้นเวลาเรียนจากหลวงพ่อแล้วนะก่อนที่จะไปประกาศต่อนะเรียนให้รู้เรื่องก่อนนะอย่าขยันประกาศนักเลถ้ายัางไม่มั่นใจก็แจกซีดีหลวงพ่อไปก่อนนะไม่มีซีดีด้วยตัวเองก็ไปขอที่มูลนิธินะเอาไปแจกต่อไม่ว่านะ อยาเอาไปขายเท่านั้นแหละอ้ะาวพอสมควรแก่เวลาแล้วละ่ะมีส่งกันบ้านไหมอันดับแรกเนี่ยใ น, ในผมขอการเลยครับอาจารย์ส่งกันบ้านอันนี้นานแล้วนะครับเกิดขึ้นได้ประมาณสักสามสีป่ปีแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปส่งอาจารย์ครั้งหนึ่งที่เคยปฏิบัติตามคำสอนตามซีดีของอาจารย์ผมฝึกแล้วก็พยายามจะรู้ตัวนะครับในการที่จิตเคลื่อนออกไปจะ อาจารย์สอนคราวนี้เนี่ยมันไปถึงตรงนอนหลับแล้วก็กลายเป็นว่ามันมันนอนไม่เต็มอิ่มเพราะว่าปกตะดิกตัวก็รู้อะไรก็รู้แต่คนคนที่เคยฝึกกับพระอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์บอกว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าถ้ามันฝึกดีฝึกถูกต้องเราก็จะต้องนอนเต็ ม, มไม่ใช่แบบว่าเหมือนอดหลับอดนอนแบบนี้ครับพระอาจารย์ช่วยหลวงพ่อไงนอนนะร่างกายหลับนะ แต่จิตมันสว่างอยู่ก็นะเออจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดอะแต่ว่าหลับนี่พวกเราไม่ชินกับสภาวะที่จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะเราก็คิดว่าเวลาที่จิตเราตื่นเนี่ยแสดงว่าเราตื่นที่จริงถ้าบางทีสังเกตลงไปร่างกายครวนคลอกๆ เ, เลยนี่ความกังวลใจของเราตายแล้วนอนไม่หลับตายแล้วนอนไม่หลับความกังวลใจนี้ล่ะหากที่สร้างปัญหาให้เรา แต่ว่าอย่างถ้ามันจะรู้เนื้อรู้ตัวนะใจเราทรงไว้เงี้ยทรงตัวไปนะสว่างสบายสบายไม่คือการอยู่กับสมาธิการพักผ่อนของร่างกายกับการพักผ่อนของจิตใจไม่เหมือนกันร่างกายต้องการนอนนานจิตใจเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเวลามันลงพักเนี่ยพักไม่นานเนั้นคนทั่วไปพอร่างกายนอนไม่นา น, น, นก็จะเริ่มฝันจิตใจมันจะขึ้นมาฝันเป็นช่วงๆนะ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 ตื่นขึ้นมาเลยสซมไปเลยถ้ารู้สึกว่าโอ้บุญหลายวันนี้บุญดีจริงๆนะได้ภานาโต้รุ่งเลยเนี่ยสว่างส ว, ยสวายสบายตื่นขึ้นมานะร่างกายก็ได้พักจิตใจก็แช่มชื่นดีกว่านอนหลับอีกนะนอนหลับแบบและเมอเพ้อฝันมันไม่ได้พักจริงงั้นจะไปตกใจงั้นได้ที่บอกว่าลูกศิษย์ ที่เรียนกับหลวงพ่อสอนอะไรอย่างนุ้นอย่างนี้นะเห็นไหมว่าสอนผิดภาวนาถูกนะแต่ว่าวางใจผิดค <l acht> รับภาวนาถูกจิตเรามีสติมีสมาธิมันส่งตัวขึ้นมาแต่เราไปวางใจว่าตายแล้วตายแล้วนอนไม่หลับนะไปกังวลซะก่อนแต่ถ้าเบิกบานใจอยู่ในความสุขในความสุขสบาย ก็ดีใจครับได้ทราบแล้วจะได้ไปวางใจใหม่ครับใช่ผมควรวางใจนะครับแล้วก็ควรจะฝึกด้วยเพราะว่าพออายุถึงเก้าสิบปีถ้าคนเราพออายุเก้าสิบปีเนี้แทบจะไม่หลับแบบที่เคยหลับเลยโดยธรรมชาตินะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะันถ้าเราฝึกไว้ชํานาญถึงเวลาร่างกายมันก็นอนไปนะมันเหมือนรู้สึกตัวทั้งคืนเลยเพราะฉนั้นคนพออายุเยอะๆนะมันจะเหมือนไม่หลับ ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นรู้สึอยงนั้นจะหลับตอนที่ไม่ควรจะหลับจะตื่นตอนที่ไม่ควรจะตื่นนะน่าฝึกไว้นามัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบสิบเดือนครับ <c oughs> ครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าจเจริญปัญญาได้มากก็จะเข้าใจธรรมะได้ไหวนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ผมสำรวจตัวเองนะครับ เข้าใจว่าผมมีพันากานขึ้นตรงที่เรื่องความเป็นกลางครับถูกผมเคยเห็นว่าจิตมันพอมันหลงทีทีะนะครับแล้วมันก็หงุดหงิดพอเห็นหงุดหงิดไปหลายหายครั้งเข้าจิตมันก็เริ่มกระเพื่อมน้อยลงแต่ความเข้าใจคือว่ายังไม่ถึงตรงสังขารุเบ ข, ขาญาณเพราะจิตยังกระเพื่อมอยู่อเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับถูกตรงนี้เป็นความเป็นกลางด้วยสติใช่ไหมครับใช่เป็นกลางด้วยสติรู้ทันความยินดียิ น, ยนร้ายนะกลางมี3ามกลางนะกลางด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญา กลางด้วยสมาธิคือจิตรวมแน่วอยู่อย่างเงี้ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรแต่พอออกจากสมาธิก็ยินดียินร้ายอีกกลางด้วยสติก็คือรู้ทันความไม่เป็นกลางรู้ทันความยินดีนร้ายมันก็ดับก็เป็นกลางขึ้นชั่วขณะนี่ตรงเป็นกลางช่วขณะนะพอจิตเป็นกลางแล้วก็ดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไปถึงวันนึงมันเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นไหมจิตมีปีติผุดขึ้นมา มีความสุขกุดขึ้นมาไม่ไม่เห็นครับ <laughs> นะรู้ทันไปสบายสบายถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายนะถ้าดูสภาวะของจิตไม่ได้ให้ดูกายตอนเนี้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สบายสบายรสบายบายตอบผิดตอนที่พูดนะต้องหายใจออกแน่นอน <laughs> ตอนที่พูดหายใจเข้าไม่ได้อะเ อ, อแล้วผมขอถามเรื่องสมถา น, นิดนึงครับคือว่าปกติผมก็ทําสมถานไม่ค่อยได้นะครับ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 เราต้องมียึดกรรมฐานไว้อันหนึ่งถูกไหมครับไม่ใช่ว่าจับจดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าจิตเขาเปลี่ยนกรรมฐานของเขาเองนะครับบางครั้งอ ย, อย่าเปลี่ยนบ่อยเกินนะอย่าเดี๋ยวหนาทีนี้เอาอย่างนี้ห้านาทีนี้ดูยากครับ ไ, ไม่ถึงขนาดนะจะดูใจรักษไม่ออกมันจะเป็นช่วงๆครับบางช่วงเขาก็ทําอนุสติบางช่วงเขาก็มาดูกายบางช่วงเขาก็ดูจิตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ถูกละแต่เปลี่ยนกรรมฐานไม่ใช่ใหมายถึงอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็ดูกายเดี๋ยวก็ดูจิตนะอันที่หลวงพ่อพูดว่าไม่ให้เปลี่ยนบ่อยนะคือพิหารธรรมพิหารธรรมเช่นเราใช้ลมหายใจเงี้ยลมหายใจเราเรารู้ลมหายใจไปพอมีแรงเราก็เห็นจิตทำงานเราดูจิตนะแต่มีลมหายใจเป็นแบนะ็ k กราวน่ะพอดูจิตไม่ไหวเราเห็นร่างกายหายใจเราใช้กายเป็นทานแต่ว่าเราลมจริงๆลมเป็นฐานนั้นเดี๋ยวก็เห็นกายเดี๋ยวก็เห็นจิตแล้วแต่กาลัง แลถ้าหมดกําลังดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็จับอยู่กับลมเฉยๆเป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อว่าไม่ให้เปลี่ยนมากไม่ให้เปลี่ยนบ่อยนะคือตัววิหารธรรมส่วนอารมณ์ของกรรมฐา น, นที่จิตจะไปรู้เราเลือกไม่ได้จิตจะไปรู้เองก็สรุปว่าให้รู้ทันนิวรณ์ถ้ารู้ทันนิวรา์สมาธิจะเกิดคร<ะ>ับนิวรณ์ไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้ฟุงงซ่านไว้นะ เพราะว่านิวรณ์ตัวอื่นมันก็ลูกไอตัวฟุ้งซ่านนี่แหละฟุ้งออกไปแล้วไปกระทบอารมณ์มันก็พอใจนะมีการมาฉันทะฟุ้งออกไปกระทบของไม่พอใจมีพยาปาทะฟุ้งออกไปนะก็หงุดหงิด ต, ตัวเองกุกกฎจระเห็นไหมฟุ้งออกไปสงสัยวิชิกิจชาฟุ้งไปล้หมดแรงตีนมิถะงั้นรู้ฟุ้งตัวเดียวก็พอครับผมสังเกตว่ากิเลสค่อนข้างเยอะครั บ, รบดี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 พวกนักปฏิบัติจะพลาดตรง ท, ที่คิดว่าจิตมีดวงเดียวเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีต้องแก่ไม่จําเป็นเลยจิตมีสารพัดจิตเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีรู้ว่ามีดีจบไปแล้วช่างมึงไม่เกี่ยวนะรู้สึกอาใหม่อย่างงีง่ายกว่ากันเยอะกขอบพระคุณครับกาบหลวงพ่อค่ะ เ, เริ่มปฏิบัติมาสิบเดือนเหมือนกันนะคะต่งกันสังเกตไห ม, ไมว่ากายกับใจเป็นโค้ด้านกัน ขันมันเริ่มแยกได้แล้ว<ะ>ถ้าขันแยกได้แล้วการภาวนาต่อไปก็ง่ายแล้วก็ดูกายมันทำงานนะมันไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเห็นความรู้สึกกระใจเป็นโครานไหมเห็นค่ะออถ้าเห็นได้เราก็ดูไปอีกความรู้สึกเกิดได้ก็ดับได้ไม่ใช่ตัวเรา<ะ>เนี่ยดูไปเรื่อยอย่างนี้น ะ, ะปัญญามันก็มากขึ้นมากขึ้นอตรงกันบ้ามครั้งแรกเมื่อตะกอนเนี้ค่ะหลวงพ่อบอกว่าโลภอะค่ะ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 ถ้ามันไม่ได้เรายัางไม่คล่องถ้าชํานาญนะก็ไม่เปลีนน่ยนเอา <S <S ถ้ายัางไม่ชํานาญเนี่ยเผลอ ER, แล้วก็รู้แล้วก็จะเพ่งเป็นอัตโนมัตินะเหลอ ER, รู้แล้วก็เพ่งแต่พอชํานาญขึ้นจะเหล ER, ือเผลอ ER, แล้วรู้เผลอ ER, แล้วรู้นะพอสุดขีดแล้วก็เหล ER, ือแต่รู้ไม่เผลอ ER. น้อพ่อคะเวลาเดินจงกรมอ่ะคะ่ะตอนที่ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆประมาณ น, นี้มันจงใจเดินมากไปจงใจเดินตอนที่เดินน่ะจงใจแรงไปอันจะอึดอัดค่ะ รู้สึกว่าตัวเองประคองอะค่ะนั่นแหละปัญหาก็ให้รู้ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเคยชิ น, นก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าของเราที่ไปฝึกกรรมาฐานแบบนั้นม า, าต้อง <ขา S 2> อชดใช้ก็คือเดินไปสักประมาณสิบนาทีพอเริ่มแบบไหลแล้วรูปเรื่อยๆก็จะเห็นครงกระดูกเดินได้อะค่ะเออไดเี๋ยวนั่นก็เป็นสมถะออกไปสมถะอย่างนั้นก็ใช้ได้ก็เป็นสมถะก็คือดูไปเรื่อยๆแล้วเราเดินไปนะ ดูไปส่อไปถ้าสมาธิมันมากขึ้นไอ้กระดูกน่าจะลม้มลงไปตายนะแนี่ยแตกกระ จ, ราจายหายไปเ ห, หลือแต่จิตดวงเดียวถ้าเหลือจิตดวงเดียวแล้วเนี่ยพอถอยออกมาจากสมาธิแล้วมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นไปเนี่ยกายกระใจจะแยกกันเองอัตโนมัติอย่างนี้รู้สึกไหมมันแยกอัตโนมัติไม่ได้เจตนาหรอกนะเพราะว่าสมาธิมันมากพอ คืออยากขอโอกาสกราบขอขามาลงพ่อด้วยค่ะครั้งแรกที่ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะเผลอพูดไม่ถี่ยอกไปอะค่ะว่าพระรูปนี้เทศอะไรมันไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็ออแค่รู้กายกับใจแค่นี้ก็เป็นการฝึกแล้วหรออะไรอย่างนี้เออใช่แล้วรู้ยังรู้ละ <laughs> ใหม่ๆนะอุ้ยสอนลำบากนะคนไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้สบายมันมีคนภอนาเป็นพยานให้หลวงพ่อเยอะเล ย, ยกราบขอบพระคุณค่ะ อ่ะันนี้ในมร ส, สการนบหลวงพอ่อคยนี่ครับอ๋ออยู่นี่อาว้ครั้งสุดท้ายที่สมุนกันบ้านหลวงพ่อบอกอว่าแยกขันได้แล้วแต่ว่าให้ระวังไปติดนิง่งติดเฉยครับแต่เมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเราโกรธเร็วแล้วก็แรงนะครับไม่ไม่ไม่รู้เป็นเป็นเพราะอะไรคือถ้าเราเคยติดความสงบนะ พอหลุดจากความสงบเนี่ยอารมณ์มันจะรุนแรงกว่าคนปกตินะงั้นเราปล่อยแล้วก็มีสติรู้มีสติรู้ไปโกรธขึ้นมาก็ารู้ไม่ว่ามันนะตัวโกรธขึ้นมาเนี่ยมันอาศัยอนุใสอนุัยคือตัวโทสะพุดธขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันลงทุนด้วยอนุัยขึ้นมาเรารู้ทันมันเกิดโทสะไม่ได้มันจะขาดทุน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 ทางกายทางวาจาเนี่ยมีศีลเปกกรอบกั้นเอาไว้แต่ทางใจปล่อยให้มันทํางานแล้วดูวแต่ถ้ากโรกรธจนกระทั่งรู้สึกว่าสู้ไม่ไหวแล้วก็ใช้สมถะกรรมฐานไปแก้สมถะกรรมฐานที่เป็นคู่ปรับความโกรธก็คือการเจริญเมตตานะบริกรรมเมตตาไปเรื่อยๆครับบางทีผมก็ใช้อะไรนะอืมเมตตากรุณาอะไรที่หลวงออนะพ่อสอนนะครับนะบริกรรมไปเรื่อยๆสบายใจครับใจเขาจะค่อยๆเย็ยยยนลงเย็นลงมีสมาธิ มีสมาิแล้วก็ไม่บังคับใจแล้วอันนี้ปล่อยให้มันทํางานอีกครับถ้ามั น, นวุ้นวายโกรธมากขึ้นมันก็ทําสมสถะครับเข้ามาเอาแต่สมสถะอย่างเดียวไม่ได้นะหลวงพ่อครับเลยมีอันที่ว่าปกติผมใช้บทชีวิตจําวันคือภาวนาพุทโธแล้วก็แล้วก็วกไหลไปแล้วก็รู้อะไรอย่างเงี้ยครับถูกแต่มีความรู้สึกว่ามันบงังคับมันก็ไปนแนบแบบคําภาวนาก็ให้รู้ว่าแนบให้รู้ว่าแนบนั่นแต่นั่นคือจิตไหลไปแล้วครับจิตไหลไปอยู่กับคําภาวนา ไม่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนไปเป็นคือผมไม่รู้ว่ามันจิตมันตั้งมั่นพอไหมคือคือบางทีอยากจะดูกายไปเลยเนี้ยยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยรู้สึกไปอย่างเงี้ยครับคือถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งนะจะเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนนะจิตมันแยกเป็นคนดูดมันก็ฝึกอย่างนั้นได้นะครับแต่กํากลังเรามีมากพอมันจะเป็นอ๋อถ้ายังไม่มากพอก็ใช้พุโทโธไปใช้พุโทโธ<ล>ช่ว ย, วยพุพโทโธไว้ก็ดีหลวงตามหาบัวเคยเล่านะว่าท่านพุโทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับครับ ขอพระคุณหล่อค่ะกับนมัสกแสดงหลวงพ่อประโมทประโมโชนะคะก็วันนี้หนูจะขอส่งกันบ้านในรอบสองปีที่บ้านมาค่ะสองปีค่ะเอเมื่อเช้านี้เองค่ะมันเพิ่งเกิดเมื่อเช้าก็พอดีลงไปซื้อน้ำแล้วแฟนเขาก็พูดจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาสั่งหลายรอบใจก็หลุดปุ๊บโกรธพอสักพักโกรธพราะรู้รู้ทันมันก็จะรู้สึกสภาวะว่าไม่โกรธเรานะอะไรเงี้ยมันก็เดินลง ดเสร็จแล้วก็เลยกลับเข้ามาก็นั่งแ ต, แต่แต่ตุกโกรธมันยังอยู่นะคะจนถึงติดสีแยกไฟแดงก็อ่ะนีเงียบเงียเราสักพักก็อ่ะช่างหัวแม่ผ่านไปสักประมาณแต่แ ต, แต่รู้ทันค่ะรู้ทันว่าโกรธแต่ก็ทีนี้มันมันจะมีความรู้สึกว่าเออมันมันลดลงลดลงลดลงเยอะๆเหมือนกันนะคะแล้วคราวนี้ก็อา่ามีวันหนึ่งก็นั่งสมาธินั่งไปนั่งไปเราก็เหมือนกับเห็นมิตรภาพขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะรู้สึกว่ากลัวอืกลัวนั้นคือ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 ยันเวลานิมิตเกิดไม่ได้ไปดูที่ตัวนิมิต ะ, ะก็มาดูที่จิตใจค่แล้วไม่ใช่ดูเพื่อให้หายนะดูเพื่อให้รู้ดูเพื่อให้รู้ให้รู้รรว่าตอนนี้กําลังกลัวอยู่แล้วก็จะเห็นดีกรีของมันลดลงไปแล้วหายไป่ะคเห็นที่มันเกิดดับได้ค่ะมือนก็เหมือนก็ความโกรธเมื่อเช้านะคะว่าว่ามันลดลดลดลด ล, ดลงแต่ก็ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยเรืยเื่อยนะคะก็ก็รู้สึกว่าความโกรธนั้นลดลงตั้งหลักให้ดีนะไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสหรอก ต่พาะนะเพื่อรู้ทันใจตัวเองถ้าเรารู้ทันใจตัวเองกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้ขอบพระคุณค่ะกราบเรียนหลวงพ่อค่ะไม่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังไหนอ๋อไม่ได้ส่งกันบ้านเกินห้าปีแล้วค่ะไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไม่มีโอกาสด้วยวันนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะเมื่อประมาณสักสองปีกว่า ที่ผ่านมามันได้เข้าใจว่าออพ ร, ระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรไ ด, ได้เข้าใจจริงๆอะ่ะเสร็จแล้วเข้าใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยออไปเข้ากรรมฐานาแล้วออกมาแล้วรู้สึกพองนิดๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีฟังซีดีฟัง youtube <c oughs> ของหลวงพ่อ <c oughs> แล้วก็มานั่งดูตัวเองทีหนึ่งว่าเ อ, อ๊ะทไมทาไมเวลา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 ที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะตรงที่ยินดียินร้ายนะั่นคือตัวไม่เป็นกลางแล้วมันติดอ่คือพยายามรู้ตัวเองแต่บอกไม่พอดีอเอาอะค่ะเห็น<ๆ>ไหมว่ามันมีโทสะเห็นนะให้รู้ทันโทสะที่แทรกเข้ามาเลยแล้วไปโกรธไอตัวโทสะด้วยอ่ะเออนั่นแหละมันขี้โกรธนโกรธไปหมดเลยเออนะให้รู้ทันโทสะนะค่ะ ทีนี้หนูหนูหนูเพิ่งล้มหนุแ <Gym. S 2> แนแน่นมากเลยค่ะะแน่นนะะข้างในมันแบบแข็งเป็นหนักๆเนี่ยลืมหายใจหพยายามหายใจเข้าไว้นะเพิ่งเพิ่งมันหลุดเอาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเพื่อนส่งลิงก์ให้ของอ่ฟังคุณมาลีสอนคนที่ติดเพลงเยอะๆเพราะว่าหนูหนูเป็นพวกเพลงมืออาชีพมาเพลงมากเป็นยี่สิบปีเอ่อน่าสงสาร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 S <S รู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองภาวนาผิดหรือเปล่าค่ะภาวนาถูกสิภาวนาแล้วมีแต่สุกก็ผิดแหละกราบขอโอกาสค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะ่ะลูกปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์ที่เมตตาส อ, สอนน่าจะสักประมาณสองปีแล้วคะ่ะคือช่วงนี้ลูกเห็นว่าความคิดของตัวเองคล้ายๆกับว่าพอมีสติขึ้นมาจะเห็นเหมือนว่าสิ่งที่คิดอยู่มันใช่หรือเปล่าคะ่ะเหมือนเหมือนโดนหลอกด้วยความคิดนะคะ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 สภาวะธรรมมีทั้งหมดนะเ2ตัวตัวหนึ่งคือพระนิพพานเราไม่เห็นปุถุชนไม่เห็นก็เหลือ71ตัวในเจตัวนะั้นเป็นจิตซะหนึ่งตัวที่เหลือเป็นรู ป, ปรธรรมคือตัวเจตสิกสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะนี่เราหัดรู้สิ่งเหล่านี้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 ก็ะคะ่ะมีคําถามเรื่องการนั่งสมาธิอะคะ่ะตันนี้ลูกก็นั่งสมาธิประมาณสินาทีได้ตอนช่วงเช้านะคะของหนูจะฝึกสมาธิตรงๆลําบากนะธรรมชาติของหนูฟุ้งซ่านเก่งงั<ช>้นหนูจเจริญเมตตาไปบ้างก็ได้<ช>บริกรรมเมตตาไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็บริกรรมไปเพราะพื้นอีกตัวหนึ่งคือขี้โมโห<ช>บริกรรมเมตตาไปเรื่อยใจมีความล่มเย็นเป็นสุขใจก็สงบเอง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 ถ้าจเจริญเมตตานะแม่ถึงอรูปนะระหว่างที่นั่งนั่งไปก็จะเลยเมตตาแทนแทนดูลมหายใจถูกมครัได้บริกรรมไปเรื่อยๆนะทําใจสบายๆตัวแรกที่ต้องเมตตาคือไอตัวเนี้ยอย่าเป็นโมโหมันว่าทำไมมันโง่ทาไมมันดือ้อนะค่ะกรรนัสพันของพ่อครับพ่อมีโอกาได้ฟังทํากับหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่ครั้งนี้เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกก็อยากจะสอบถามว่า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 แล้วถ้าเกิดในตัวอดีตมันยังส่งผลอยู่ครับอดีตถ้าเราไปทำกรรมไว้มันก็ส่งผลอยู่ยห้ามมันไม่ได้เรารู้มันด้วยความเป็นกลางต้องชดใช้ครับนะอย่างเราไปหลอกสาวไว้เงี้ยเขาตาดักฆ่าเรานะมันก็ต้องใช้เวลากว่าเขาจะเลิกฆ่าเราใช้เวลางั้นวิบากเขาต้องใช้แต่ว่าเราไม่ทำกรรมใหม่เรารู้ลงปัจจุบันไปใช้ได้นะที่ภานานะรู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยนไป ใจมันสว่างนะใจมันสบายแต่ตอนนี้ใจไม่ถึงฐานดูออกไหมครับแจเจ้าออกไปข้างนอกหายใจสิหายใจหายใจอย่างสดชื่นหายใจแล้วมีความสุข ه, ยั่งเหนื่อยกว่ากกับ ถ, ถอนใจสักทีนี่ใจตรงนี้ถึ ง, งใได้ใจอย่างนี้ครับจำจาได้ไหมครับเนนะไม่ได้ไปข้างนอกรู้สึกอยากขอ้อ กรับขอาการบ้านแล้วก็ให้แล้วล่ะ ค, ครับขอกระทำกราบธรรมสการหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้ตั้งสติจะถามได้แล้วคะ่ะเมื่อกี้ตกใจอุ้ยเราจะถามอะไร <c oughs> คะ่ะดิฉันก็นะคะปฏิบัติมานานแล้วคะ่ะก็ก็ก็แก๊กแก๊อยู่อย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์บางองค์บอกว่าโอุยปฏิบัติอาจารย์ตายไปหลายองค์แล้วหมดแล้น <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเหมือนหลวงพ่อไง ครูบาอาจารย์มีทั้งหลายสิบองค์ตายไปหมดแล้วแต่พระอาจารย์ยังสำเร็จหรือว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่ของดิฉันก็เลยไม่ทราบจะถามอะไรของโยมนะ<อ>กันบ้านเลยนะโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัว<อ>หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวอเอากายเป็นฐานรู้กายไปเรื่ย เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเมื่อเราเห็นคนอื่นน่ะดูมันสบายๆสมาธิมันจะเกิดขึ้นพคะอาจารนี้สมาธิของโยมไม่พอใจมันจจคิดคิดคิดไปเรื่อยเนี่ยเห็นแม่ร่างกายพยักหน้าลองยิ้มสิยิ้มหวานวานเนี่ยเเห็นร่างกายเห็มเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายหัวเราะนะนี่เห็นสบายๆด้วยใจที่ธรรมดานี่แหละ นะแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาพอสมาธิเกิดมันจะเดินปัญญาที่เห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันะนี่กายพูดอยู่กายพยักหน้าอยู่ใจมันเป็นคนดูุท้ายมันจะเห็นในกายมันไม่ใช่เราไอ้จิตใจที่เป็นคนดูเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เผลอไปนะเดี๋ยวก็ไปเพ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะฉั้นทั้งกายและทั้งจิตเนี่ล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเดินปัญญา แต่ตอนนี้รู้สึกกายบ่อยๆให้รู้สึกกายบ่รู้สึกกายบ่อยๆนะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือเรียนกรรมฐานนะมันก็มีขั้นตอนถ้าเราเดินไปตามสเต็ปตามลําดับที่ถูกอะนะมันจะไปเร็วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจภาพของการปฏิบัติแล้วก็ทําอย่างนี้บ้างทําอย่างนี้บ้างทําอย่างนี้บ้างมันไปไม่ได้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 เพราะนั้นตับเป็นนิยมยืนเดินนั่งนอนนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆน ะ, ะ ใ, นใจมันค่อยเด่นดวงขึ้นมาแล้วขันมันแยกได้ด้วยถ้าใช้วิธีในใ น, นะ้นแยกขันไปในตัวเลยคล้ายๆโตแล้วเหรียญรักนะเรียนมาหลายอย่างแล้วครับมันก็มากไป <laughs> <laughs> มันมากไปนะกรรมาฐานของคนคนหนึ่ง น, ะนิดเดียวหลวงพ่อนะตอนเด็ก ไปหาท่านพอดีสอนอาณาปนานสติทําสมถะด้วยอาณาปนานสติอันเดียวนะแล้วมันพลิกแปลงเป็นเรื่อย่างอื่นได้เองมาเจอหลวงปูด่ดวลสอนให้ดูจิตเจริญปัญญาดูจิตลูกเดียวไม่เอาเย็นอื่นเลยนะอเพราะฉะนเรากรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มากหรอกนะแล้วเราทํำโน่นทําำนี้มันจะมั่ ว, วพระอาจารย์คะเอาเวลาลมหายใจดูเข้าดูเข้า พอเสร็จแล้วลมหายใจไม่มีเออเดี๋ยวไปดูอย่างนั้นนะแล้วดูไงดูเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมหายใจค่ะดูทั้งตัวนี้มันหายใจค่ะแล้วมันจะเห็นไอตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราในเล่นแบบตัวแล้วเรียนรัดเลยค่ะนะฝึกแยกขันไปเลยแล้วได้สมาธิไปในตัวเลยค่ะเห็นร่างกายหายใจถ้าเราไปดูที่ลมหายใจมันจะกลายเป็นกสินให่การเพ่งลมลมนะพอเราเพ่งมากๆมันจะกลายเป็นแสง นะเป็นอุคะหานิมิตแล้วแสงเราเล่นได้เป็นปฏิภาคนั่นะเราจะไม่ได้เล่นแบบกสินเราเล่นแบบจะให้มันพลิกไปสู่การเจริญปัญญาได้เลยนะเนื่องจากเวลาเราจํากัดนั่นเราจะพลิกไปสู่การเจริญปัญญาให้เร็วที่สุดเราจะดูร่างกายหายใจนะแล้วก็เห็นว่าร่างกายหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันจะแยกขันไปในตัวนะแล้วใจที่เป็นคนดูนี่มันจะได้สมาธิในตัวของมันเอง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 สมาธิดีขึ้นละดูอไหมดูออ ก, ออกใจนะครับกลับนักชการพระอาจารย์ครับพอดีมาครั้งแรกครับของการบ้านครั้งแรกฟังซีดีพระอาจารย์มาประมาณห้าเดือนแล้วนะครับแต่ก่อนมีความทุกข์มากนะครับทุกทางใจคิดรุนรานเรื่องต่างๆมากอนี่ฟังซีดีความทุกข์ก็น้อยลงแต่ว่าหัดดูอารมณ์ตามซีดีนะครับไม่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 แล้ววิหารธรรมที่เป็นอยู่ตอนนี้ใช่ได้ทำอยู่ใต น, นี้แหละที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้มันพัฒนาขึ้นแล้วนะดูออกไหมดูออกค่ะเออเรนจะหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะแป๊มเดียวก็เป็นหรอกส่วนมากมันดื้อ <c oughs> หนูมีคำถามนึงค่ะเวลาที่พอเริ่มรู้ว่าตัวเองรู้สึกตัว ม, มันเจ็บซึ้ดขึ้นมาที่ศีรษะหรือบางทีมันก็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 แม้ไม่ว่า น, นี้มีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันใจเราไว้เช่นได้ยินหลวงพ่อพูดพูดอยู่ยได้ประโยคเดียวทําไมไม่พูดสองประโยคนะะใจาําคาดรู้ว่ า, าําคาดเนี่ยมีพวกเราภาวนาเราติดขาดเพราะมีหลวงพ่อไปสอนเดี๋ยวก็ไปสอนตัวน้นสอนคนนี้นะะไม่แปลกอะไรหรอกก็กราบอนุโมทนากับทุกๆคําถามทุกๆคนนะคะที่ทําให้พวกเรา จเจริญรุ่งเรืองในปัญญาด้วยกันนะคะกราบขอความเมตตาหลวงพอ่อให้พวกเราได้นําพวกเราภาวนาสักเล็กน้อยก่อนที่จะถวายสังฆทา น, น ะ, ะภาวนาไม่ว่าจเจริญ น, น ะ, จะเจริญอะไรจะเจริญสตินะนั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจอย่าไปบีบจิตคุณที่นั่งแถวที่สามเนี้ยพอบอกให้นั่งภาวนาก็บีบจิตออกมาปู๊เลยใช้ใจธรรมดายิ้มหวานก่อนยิ้มหวาน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 ด็อกเตอร์ส่งสีดอกนอก <c oughs> รู้สึกไหมเออใจเราหนีไปนะให้เรารู้ทันนะ <c oughs> เรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อดูนะแอบหนีวแบบ่าแวบวบ่าแวบไม่ได้หรอกไม่ให้บังคับแล้วไม่เผลอใจไหลก็รู้ใจไหลแล้วรู้หายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจไหลแล้วก็รู้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 เราเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูสบายๆใจมันจะอยู่กับตัวเองตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไม่ดีนจะเริ่มเดินปัญญาเห็นร่างกายมันก็ทํางานไปใจก็อยู่ต่างหากกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เร า, เรานะให้ได้หลักนะนะทําบุญมาเยอะแล้วโม <c oughs> แค่นี้เหลือเฟือแนละ้วแค่นี้ก็พอได้ธรรมะนะเพราะมันมีครบแนวะศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ในตัวเอง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 ไม่ให้บุบรู้สึกรู้สึกไม่ให้บุกเนี่ยรู้สึกใช้ใช้จิตอย่างเนี้ยให้จิตอย่างตรงเนี้ยอ่อย่างนี้ตึงไปดูทั่วตัวดูตัวทั่วพร้อมแค่นั้นเองง่ายจะตายไปด็อกเตอร์คิดมากไปแต่ไม่คิดมากไม่เป็นด็อกเตอร์เหรอเดี๋ยวเราครับเราต้องให้ปอนด์ห่อนไยม ยถาวาริวหาปุราภิริปุเรนติสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาฉันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอพีวาธนาสีเลสนิตจังุทธาปจายโนจตารโธรรมมาวัทันเตอายุวันโนสุ ข, ขังพลังอนุโมทนานดร็อสเซนทาลูกหลานอนุโมทนากับพวกเราทุกคนอุตส่าห์มาฟังธรรมวันอาทิตย์ค่ะพวกเราพร้อมใจกันกราบ